หลวงพ่อดีใจมากเลยมาเข้ามาในห้องนะเจอพวกเราที่นี่นึกว่าให้มาเทศให้เด็กฟังนะกลัวมากเลย <c ười> คุยกับเด็กไม่รู้เรื่องหรอกนะคือที่หลวงพ่อสอนนะจริงๆเป็นหลักที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กเจดขวบปีศูนย์สอง พอพาไปหาท่านพ่อรีวนานโศก ร, รัมจะเรียนกับท่านพ่อรีเจอที่แรกท่านถามว่าทำไมเพิ่งจะมาพูวเราเด็กเล็กนิดเดียวเนาะเราไปเองได้ที่ไหนท่านก็สอนให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรนับหนึ่งพุทโทรนับสองนับไปถึงสิบแล้วก็เก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งเรายังเล็กนะนับถอยหลังไม่เป็นนะไม่คล่องไม่ได้นับ หนึ่งถึงร้อยแล้วเริ่มใหม่เรียนกับท่านพอลีได้สมาธิได้สมถะหายใจได้ความสงบความสุขอยู่มา 2-3 ปีท่านก็สิ้นรู้สึกสิ้นไม่นานอายุไม่มาก50กว่าเลยไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนก็ภาวนาเอาเองไม่ทิ้งที่ท่านสอนมาทมแต่สมาธิทุกวัน เงเรื่องสมาธิชํานาญอยู่พนานาอยู่ตั้ง22ปีในเรื่องของการทําสมาธิขึ้นไปขั้นเจริญปัญญาไม่เป็นจนวันหนึ่งไปเจอหนังสือของหลวงปู่ดุลบอจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวันไหวเป็นสมุทยัยมีผลเป็นทุกข์ส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ไม่ก็เพิ่มหวันไหวก็จะเกิดปัญญาพ้นทุกข์ตอนท้ายท่านสรุปบอกว่าอันหนึ่งพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายมีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่ก็เพิ่มวันไหวมีสติบริสุทธิ์ พ้จากทุกข์ตอนนั้นเจอธรรมะท่านครั้งแรกนีสนใจเที่ยวถามหาเจอใครก็ถามเลยว่าพระองค์นี้อยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟัน่นอ่านหนังสือท่านนะปลายปลายปีสองสี่หลวงปู่ฟันนะ่นสิ้นไปแล้วเราก็นึกว่าท่านคงสิ้นแล้วนะ ขนาดหลวงปู่ฟ้านไปรู้สิษย์ยังไม่อยู่แล้วเลยอยู่มาถึงต้นปีสอหคนถึงมาบอกว่าท่านอยู่สุรินทร์ขึ้นไปหาท่านไปเรียนกรรมฐานกับท่านท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตจต่างกับครูบาอาจารย์ทั่วๆไปครูบาอาจารย์สายวัดป่า mm hmm. เกือบทั้งหมดเนยะจะสอนพุทธโธพิจารณา ก, กายนี่หลวงพ่อขึ้นไปหาหลวงปู่ดุล ไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติไปกราบท่านเมื่อวันที่6กกุมภาปี25งห้าบอหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัตินะท่านนั่งเก้าอี้โยกนะหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงพอลืมตาให้มาท่านก็สอนาการปฏิบัติไม่ยากยากเฉาพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองเดี๋ยวท่านสอนแค่นี้สั้นๆให้อ่านจิตตนเอง คือที่ท่านหลับตาไปนานนะท่านสํารวจว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรครูบาอาจารย์ที่เลิศจริงๆนะท่านจะดูลูกศิษย์ว่าจริตนิสัยเป็นยังไงแล้วสอนตามจริตนิสัยหลวงพ่อหลังจากหลวงปู ด, ดูลเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปศึกษากับ ค, ครูบาอาจารย์าาสายวัดป่าสายอะไรนะหลาย10องค์ก็พราะว่ามีองค์เดียวที่สอนตามจริตนิสัยหลวงปู ด, ดูล นอกนั้นส่วนใหญ่ท่านทํามาแบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นสอนทั่วๆไปแบบนั้นส่วนมากก็สอนพูดโธรฟิารณักายก่อนเจอหลวงปู่ดุลุลงพ่อเขเคยฟิจารณักายเหมือนดูอยู่นาทีเดียวก็ระเบิดหมดแล้วร่างกายไม่มีเลยแต่จิตดวงเดียวแล้วไปไหนต่อไม่เป็นพราวนาก็เลยตันอยู่แค่นั้นมาเจอหลวงปู่ดุลนะุะท่านก็บอกให้เราดูจิต พอมาหัดดูจิตนะท่านถามว่าเข้าใจไหมปลื้มนะปลืม้มเข้าใจครับเข้าใจค จ, จริงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่ามันปีติเมื่อท่านพูดกับเราแล้วไปถามแล้วท่านหลับตางเงียบๆนึกว่าท่านจะไม่สอนท่านพูดกับเราเราดีใจท่านบอกเออถ้าเข้าใจแล้วก็ไปทําเอาเวลาท่านนะขึ้นรถไฟพอรถไฟเริ่มเคลื่อน น, ะนึกขึ้นได้ให้หลวงปู่บอกให้ดูจิต จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตเราจะบอกว่าจะไปดูจิตดูจิตจะดูได้ยังไงนะพอรถไฟเคลื่อนแนละ้วนึกถึงตรงนี้ได้ตกใจเลยพอตกใจแล้วจะทำไงดีทำอะไรไม่ถูกแล้วดูจิตก็ไม่เป็นดูอะไรก็ไม่เป็นมั่วไปหมดเลยด้วยความตกใจหลวงพ่อก็กลับมาทากรรมฐานเดิมเลยตั้งแต่เด็กหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่อันนี้นเป็นกฎของการปฏิบัติข้อหนึ่งนะคือถ้าเราภาวนาเราทําอะไรไม่ได้เลยทําสมถะไว้ก่อนก็นะสมถะเนี้ยเป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายละหลุดจากนี้ก็คือไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยนะงั้นจะพุทโทจะหายใจจะดูท้องฟองยุบอะไรก็ได้นะให้มันมีเครื่องอยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งก่อนพอจิตมันมีเครื่องอยู่แล้วมันมีความสงบสุขขึ้นมาเนี่ย สามารถใช้สติปัญญาเนี่ยค้นกว่าพิจารณา ร, รมที่จะเดินต่อไปได้นี่หายใจหายใจไปจิตสงบนะก็มาคิดดูหลวงปูดด่โดนบอกให้ดูจิตจิตต้องอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี้จิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่ตามภูเขาไปอยู่ในท้องนาอยู่ในต้นไม้เป็นไปไม่ได้ท่านให้ดูจิตดูจิตจิตต้องอยู่ในในร่างกายนยีไม่เกินกายออกไป นี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะข้อแรกเลยก็คือทำอะไรไม่ถูกทำสมถาวรไว้ก่อนให้ใจมันได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาข้อที่2ของการปฏิบัติก็คืออย่าให้เกินกายออกไปการเรียนรู้ของเรานะเรียนรู้วนเวียนอยู่ในกายในใจของเราถ้าเกินร่างกายของเราออกไปแล้วออกข้างนอกไปแล้วลนะ่ะหลวงปู่ดูลจิตออกนอกทั้งหมดเลยมันลืมตัวเองแล้ว การปฏิบัติเนี่ยต้องย้อนมาที่กายที่ใจไม่งั้นไม่เรียกว่าโอปัยโกโอปัยีโกน้อมเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกัใจนี่เองนี่พอน้อมเข้ามานี่เป็นกฎของการปฏิบัติข้อนึ่งนะงั้นเราอย่าให้จิตเกินกายออกไปถ้าเราจะภาวนาอย่างบางคนเดินจงกรมแล้วก็ไปรู้ว่าพื้นมันนุ่มหรือพื้นมันแข็งพื้นมันเย็นหรือพื้นมันอุ่นอ่างเงี้ยนะ ไม่รู้ทำไมพื้นมันออกนอกไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี้งั้นการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อเคยไปเรียนด้วยคือหลวงปู่สุวัตท่านเคยไปเรียนจากหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟังบอกหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเห็นไหมไม่ได้บอกว่าต้องเริ่มจากกายนะ ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะทำสมถะทําความสงบไหมที่ดูกายเพื่อให้เห็นจิตที่ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมนะงั้นถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจนะธรรมะแสดงอยู่ที่จิตไม่แสดงอยู่ที่กายแต่กายมันเหมือนบ้านนะจิตเหมือนเจ้าของบ้านตราบใดที่เรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านไว้ก่อนมาคอยดูกายไว้ก่อนสักวันหนึ่งเราจะเห็นจิต ถ้าเมื่ อ, อไหร่เห็นจิตเนี่ยนะกายไม่มีความสําคัญอะไรลนะกายมันเป็นบ้านทําไมต้องเอาที่จิตกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่กายแต่บางคนต้องภาวนานะดูจิตไม่เป็นแล้วดูกายไปก่อนดูกายแล้ววันหนึ่งเห็นจิตเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดปา่าส่วนใหญ่ที่ท่านทํานะท่านทําสมาธิแล้วมาดูกายจนร่างกายเนี่ยสลายตัวไป บางองค์จะใช้วิธีคิดพิจารณาฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะดึงผมดึงขนเล็บฟันหนังฉีกแขนฉีกขาไปบางองค์กําหนดจิตเผามันเลยนะเผาว่าเป็นขี้เท่าไปหมดบางองค์ก็นั่งสมาธิดูนะร่างกายก็ตายให้ดูค่อยๆพองเน่าไปเปื่อยไปจกนกระทั่งยุบลงเป็นกระดูกกระดูกสลายตัวเป็นฝุ่นเป็นพงหายไปหมดท่านภาวนากันมาแบบนี้พอกายาหายไปหมดนะเหลือจิต ถ้าท่านจะเจอจิตล้ก็เรียกว่าหาที่สําคัญของการปฏิบัติได้แ้วเข้ามาเจอจิตพอกลับมามีร่างกายสมาธิถอนร่างกายกลับมามีใหม่ท่านก็จะรู้แจ่มแจ้งเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันการที่เห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันนะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของจิต แต่เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยขันต้องแยกก่อนเพราะเรารู้จักหลวงตามหาบัวไหมเคยได้ยินใช่ไหมหลวงตามหาบัวเคยสอนนะแต่คนไม่ค่อยจำไอ้ที่ดีๆอย่างเนี้ยท่านบอกว่าถ้าพิจารณานะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะอย่ามาคุยอวดเราว่าจเจริญปัญญานะนท่านสอนถึงขนาดนี้แยกธาตุแย ก, แยกขันหมายถึงมันต้องหัดแยกให้ได้เลยกลายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง ความสุขความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารคือความปรุงดีปลุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกเป็นส่วนๆถ้าแยกเป็นส่วนๆได้แล้วเนี่ยถึงจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นว่าร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์ความสุขความทุกข์ก็แสดงไตรลักษณ์กุศลอกุศลก็แสดงไตรลักษณ์จิตเองก็แสดงไตรลักษณ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ได้ก็เรียกว่าเดินปัญญาอยู่นะ ในหลวงก็เคยไปถามหลวงปู่เทศว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศถวายมีสัจจนันที่สุดของศีลคือเจตนางดมันการทาบาปอากุศลที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นกายเป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะไม่มีทางได้มากผลหรอก จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้แล้วทําวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนี่การที่เราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้นะขั้นแรกเลยต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อนนะอย่าตอนหลวงพ่อฝึกนะขึ้นรถไฟไปพอรู้ว่าต้องรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจไม่ออกนอกกายนอกใจก็พยายามมาดูว่าจิตอยู่ตรงไหนในร่างกาย ดูไปที่ผมดูไปด้วยกําหนดจิตลงไปที่ผมดูผมไม่เห็นมีจิตอยู่ในผมเลยดูคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะั้นไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายหาจิตไม่เจอว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะได้จิตอยู่ในร่างกายนี่แหละตรงไหนไม่รู้นะหรือว่าจิตมันอยู่ในความสุขความทุกข์คิดอย่างนี้นะ่จิตอยู่ในความสุขความทุกข์หรือเปล่า้ทําสมาธินะกำหนดจิตปุ๊บมีความสุขขึ้นมา ดูลงไปในความสุขความสุขดับไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยนั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งให้นานเลยนะให้ปวดมากๆเลยเจ็บปวดมากๆความทุกข์เกิดแล้วดูลงไปในความทุกขนะ์นั้นดูไปอยู่กันนะจนความทุกข์ดับลงไปกไป็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในร่างกายนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายจิตไม่ใช่ตัวความสุขความทุกข์นึจิตเป็นตัวความคิดคิดอย่างนี้นะตอนนั้นยังหาจิตไม่เจอ เขาหลงปู่ให้ดูจิตนะไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ เ, เที่ยวหาอยู่ในร่างกายเนี่ยนึกว่าจิตเป็นความคิดในจงใจคิดชิดบทสดมนพุโทโธสูตสุดโทกรุณ า, ามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันบอ ค, คิดนะสติมันอย่างลงไปเห็นความคิดเนี่ยมันเลื้อยขึ้นมาเถึงผุดขึ้นมาจากความว่างๆแล้วก็หายไปในความว่างๆจิตเป็นคนดูอยู่ ทันทีที่เรามีจิตเป็นคนดูเห็นจิตคิดนะแล้วจิตเป็นคนดูเห็นความคิดกับจิตแยกออกจากกันในฉับพลันนั้นเองจิตรู้ก็เกิดขึ้นนะก่อนที่เราจะไปแยกธาตุแยกขันได้ไปเดินวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันได้ต้องมีจิตรู้ซะก่อนนะจิตรู้เนี่ยเกิดได้2วิธีวิธีหนึ่งคือทำฌานอย่านงะที่หลวพ่อหัดตอนเด็กๆนั่งสมาธิไปมันได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีคุณค่า ทิ้งมันไปเฉยๆไม่ได้มุ่งมาที่มาเรียนรู้อะไรตัวนี้พอมาเรียนจากหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะเราแยกกายแยกความสุขทุกข์แยกอะไรออกไปได้นะจะแยกความคิดออกไปเห็นจิตมันคิดเท่านะั้นพอเห็นจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดนี่เป็นกฎเลยนะเมื่อไร่เห็นว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดนะงั้นหลวงปู่ดูลบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่อาศัยคิดคือปล่อยให้จิตคิดแล้วเรารู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิด พอจิตรู้เกิดนะเฮ้ไอตัวนี้แหละเคยเห็นมาแต่เด็กนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยก่อน30 40ปีก่อนนะเข้าวัดครูบาอาจารย์สายวัดป่าเข้าไปวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าผู้รู้ผู้รู้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธนั่นเองที่ต้องเป็นพุทโธพุทโธไม่ท้องเป็นนกแก้วนุ่ทองนะพุทโธก็คือจิตนั่นเองพุทโธพุทธโธพุทโธเรารู้ทันจิตไป ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ใช่ไหมพุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตนะพวกเราหลายคนพุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ได้ประโยชน์อะไรพุทโธแล้วต้องรู้ทันจิตไหมพุโทโธพุโทโธจิตหนี้เรารู้จิตหนี้เ ร, รนเรารู้ทันทีที่รู้ว่าจิตหนี้สมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นพวกเราหลายคนชอบนั่งสมาธินะนั่งสมาธิหัวต่อส่วนใหญ่นั่งสมาธิแบบฤษีไม่ใช่สมาธิพระพุทธเจ้าหรอก เหมือนตอนเจ้าชายเศรษฐะเล็กๆนะตอนมีงานแลกหนักกว่านะท่านนั่งสมาธินั่นคือสมาธิของพุทธะตอนท่านอายุ29ออกไปบวชไปเรียนจากฤาษีนั่นเรียนสมาธิฤาษีแล้วท่านพบ ว, ว่าไม่ใช่ทางนะสุดท้ายท่านกลับมาสมาธิของพุทธะสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองงั้นเราต้องมาฝึกนะให้ได้จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว ก, ก่อน นะวิธีฝึกง่ายๆก็ทำกรรมฐานอย่างหนึง่งจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะต้องฝึกนะปกติจิตของเราไม่เป็นผู้รู้หรอกจิตของเราจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปรบางต้องฝึกนะโดยทำกรรมฐานสืกอย่างหนึง่งพุโทโธไปหรือหายใจไปก็ได้นะแล้วถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน การที่เรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนนั้นแหะจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติมันจะรู้จะตื่นจะเบิกบานในฉับพลันนั้นเมื่อเราได้ตัวรู้นะเนี่ยหลวงพ่อนั่งดูดูมาเรื่อนนั่งรถไฟมาจะกใกล้ๆจะถึงหัวลําโพงแล้วลนะ่ะที่ไปดูจิต ม, นะ ม, มันคิดน่ะพุทโธสูตสูตโธกรุณามห้นมลงโมพามันคิดอย่างนี้เลยเห็นความคิดผุดขึ้นมาความคิดดับเนี่ยจิตเด่นดวงขึ้นมาออกมาได้ตัวรู้เอาใกล้ๆหัวลาโพงยิง พอได้ตัวรู้แล้วมันเห็นนีร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตนะคนละอันกันอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะแล้เห็นจิตน่ะเกิดดับจิตเกิดที่ตาก็ดับจิตเกิดที่หูก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะจิตน่ะเกิดดับตลอดเวลานะเลยไปคิดว่าจิตเที่ยงถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฐินะพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ถาจริงๆจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะให้เราค่อยๆแยกนะทีแรกฝึกให้ใจตั้งมั่นก่อนพอใจตั้งมั่นแล้วมาค่อยๆแยกร่างกายกับใจโคนละอันสุขทุกข์กับใจคนละอันกุศลอกุศลโลบโกรดลงอะไรกับใจเนี่ยคนละอันะค่ อ, นคอยๆแยกไปเรื่อยๆพอเราแยกแยกแยกแยกไปใจเป็นคนดูมันจะเริ่มเห็นความจริงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายที่หายใจออกก็คือร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายหายใจเข้าก็คือร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนมันจะเห็นนะมันจะเห็นด้วยใจของเราไม่ใช่เห็นด้วยตานะหรือว่าความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายเราจะเห็ น, น fit, สุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ชั่วคราวเดี amis, นะ๋ยวก็หายหรือสุขทุกข์เกิดที่ใจก็เหมือนกันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายสั่งก็ไม่ได้ นะห้ามไม่ให้ร่างกายมีทุกข์ก็ไม่ได้นะมีทุกข์แล้วไล่มันก็ไม่ไปม่าหายเร็วๆไม่หายนะสั่งให้มีแต่ความสุขก็สั่งไม่ได้นะความสุขเกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เนี่ยความจริงมันอยู่ในตรงนี้ธรรมะมันแสดงตัวอยู่ตรงนี้แสดงตัวอยู่ในร่างกายให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลา <S <S <S ในจิตในใจเรานะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลตบกรดลงอะไรก็ตามทีเถอะ เริ่นแต่ของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงไม่ได้ไปฝึกเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาเที่ยงนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้เที่ยงเพื่อจะให้สุขเพื่อจะให้บังคับได้แต่เราฝึกกรรมฐานไปเนี่ยพาจิตให้ดูกายดูใจไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสนาปัฏณะราะว่าเห็นนะเราเห็นด้วยใจของเราว่าเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นั่นเองด้วยใจวิปัสนาไม่ได้แปลว่าคิดนะบางคนบอกคิดพิจารณาร่างกายเป็นวิปัสนาไม่ได้เป็นคิดเป็นภาษาบาลีเรียกวิตกวิตกแปลว่าตรึกเอาวิจารณตรองเอาวิปัสนาปัฏนะว่าเห็นนะการเห็นเห็นด้วยใจเห็นว่ากายนี้เป็นไตรลักษณ์ เห็นว่าจิตใจเราเป็นไตรลักษณ์ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปดับไปบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้เราสั่งได้ไหมว่าจิตของเราจงมีความสุขสั่งไม่ได้ น, นี่เราดูของจริงหัดภาวนานะไม่ใช่เพื่อว่าจะเอาสุขเอาดีเอาสงบอะไรหรอกนั่นมันกิจก็เกินไปหากให้เกิดปัญญา ครัมีปัญญาเห็นความจริงแล้วเนี่ยความสุขความสงบความดีนะัมันเป็นแค่ของแถมมันมาอัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าเราตะเกียกตะกายจะหาความสุขความสงบความดีนะมันเป็นของไม่เที่ยงสุขได้ก็ทุกได้นะสงบได้ก็ฟุ้งได้ดีได้ก็ชั่วได้นะมันหมุนตลอดเวลาเลยเมื่อเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาดียวสุขสงบแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดูซ้าแล้วซ้ําอีกนะ เนี่ยหลวงพ่อมาจากสุลินนะเริ่มตั้งแต่ว่าจะหาจิตอยู่ที่ไหนมาถึงใกล้ๆหัวลําโพงเนี่ยได้ตัวรู้ขึ้นมาแทบเขะครัวตัวเองเลยตัวรู้นี้ได้มาแต่เด็กละนะแล้วก็ไม่รู้คุณค่าไม่รู้เอาไปทําอะไรมีตัวรู้รู้อยู่เฉยๆนะไม่รู้จักมีธีเดินปัญญาว่าเมื่อมีตัวรู้แล้วแยกขันออกไปแยกขันแยกกายแยกใจออกจากกันเป็นส่วนๆนะถ้าไม่แยกขันเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอก หลวงตามหาบัวถึงขนาดบอกนะว่าแยกขันไม่เป็นเน่ยามาคุยกับเราเรื่องเดินปัญญานะเดินไม่เป็นออกงั้นพวกเราต้องหัดแยกขันให้เป็นใครภาวนามานานๆแล้วจนป่านนี้ขันยังแยกไม่เป็นอีกหรือไม่รู้ว่าต้องแยกขันนี่น่าสงสารที่สุดเลยเสียแรงเปล่าเนีเสียแรงเปล่ า, นะ เ, เ, ปลาเปล่าเลยหลวงพ่อหน้าภาวนาเ น, นี่ยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยจิตมันท่งตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่เรื่อ ย, อยไปเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างหลวงปู่สิม หลวงปู <necessary. S 2> new, you know. like ่สิมได้ถ so ้ำผับปล่ององนี้จิตไวมากเลยใครคิดอะไรได้ยินหมดนะองเนี้ยหลวงปู่สิมมาเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้ผู้รู้ทำอย่างนี้อะไเนี่ยสอนเลยนะเรียกเราว่าผู้รู้รู้อะไรรู้ตัวไม่ใช่รู้อะไรนะไม่ใช่รู้หวยรู้อะไรหรอกนะไม่เป็นผู้รู้ผู้รู้รู้ตัวคือจิตใจอยู่กันเนก็ตัวนะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานดูไปสิ ถ้าดูไปเรื่อยๆเราเห็นของไม่เที่ยงเห็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตานะในกายในใจเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเห็นทีแรกเนี่ยใจยังยอมรับไม่ได้แต่เดิมมันรักร่างกายนี้มากนะห่วงแหนมากเลยพอเห็นตัวจริงแล้วว่าโอ้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นทีแรกบางคนกลัวเลยนะบางคนกลัวบางคนตกอกกใจบางคนเสียใจร้องไห้เลยว่าตัวเราหายไป มาดูจิต ด, ดูใจไม่ใช่ตัวใช่ตนอีกแล้วนะบางคนกลัวไปเลยแรกๆก็กลัวไปก่อนไม่เป็นไรกลัวก็ดูต่อไปอีกไม่เลิกนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นคือเขาเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจซ้ําแล้วซ้ําอีกไป7วัน7เดือน7ปีเคยได้ยินคํานี้มเจ็ดวัน7เดือน7ปีพวกเราก็ชอบพูดให้กําลังใจตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่อีก7ชาติก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยภาวานาให้ถูกเลยนะ เอาแต่ทำสมาธิเคลิมเคลิมลืมเนื้อลืมตัวอีกกี่ชาติก็ไม่ได้อีก7จ็กับยังไม่ได้เลยนะเพราะหมวไปติดสมาธิแบบลื้อสีกันส่วนใหญ่นัดปฏิบัติเนะ่ยเกือบร้อยละร้อยเลยนะติดสมาธิลื้อสีกันนะสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะเดเดือนหลวงปู่รับรองแล้วว่าเข้าใจแล้วนะช่วยตัวเองได้ละพึ่งตัวเองได้ละพอหลวงปู่รับรองเนี่ยหลวงพ่อออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นนะไปดูตามสำนักต่างๆ สำนักไหนมีชื่อเสียงนะเข้าไปดูนะเจิมนอกสายวัดป่าที่ภาวนาดีๆก็มีนะที่พาวนาดีๆไม่ได้มีแต่สายวัดป่าหรอกนะอย่างทางเหนือที่เก่งๆ ก, ก็มีหลายองค์ที่ท่านภาวนาเก่งจริงๆอย่างครูบาพรหมจักรวัดพระบาท ต, ตักผ้าอะไรเคยเข้าไปท่านก็พระดีจริงๆไม่แพ้ใครหรอกนะหลวงพ่อเกษมเขมกโกคนไม่รู้จักหรอกนึกว่าเป็นพระอิทธิฤทธินะ์นะี่จริงภาวนาเก่งนะ หลวงปู่บุตาองค น, นี้ไม่เคยเจอท่านนะองคนี้ก็ภาวนาดีนี่ตะเวนออกไปดูลงพ่อเทียนก็ใช้ได้นะกระทั่งแต่ว่าส่วนใหญ่นะของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้หรอกมีแต่จิตที่เป็นผู้เพง่งเกือบร้อยละร้อ ย, อ ย, อยของนักปฏิบัตินะเพ่งเอาทั้งนั้นนลยกระทั่ทงพวกที่ว่าทำวิปัสสนานะเข้าคอสวิปัสสนาดูท้องพองท้องยุบเลยเอาเข้าจริงก็ไปเพ่งท้องอีก ไม่ได้ทำํำวิปัสนาจริงหรอกไปเพ่งอนาะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้ า, าไม่ใช่วิปัสน า, าหรอกนะการที่เอาจิตไปเพ่งลงไปที่ใดที่หนึ่งนะมันเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าสมาธิเพ่งอารมณ์สมาธิเพ่งอารมณ์นี่มีศัพท์เรียกว่าอารามานูปนิชฌานเข้าฌานได้นะแต่เป็นฌานที่เพ่งอารมณ์ไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาอารามานูปนิชฌานส่วนใหญ่ที่ออกตะเวนไปดูนะ มีแต่สมาธิชนิดนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีสมาธิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลสมาธิชื่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิฤาษีแต่ละาอาภัพนะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกนะแต่หลังๆที่หลวงพ่อเทศมาเรื่อยๆนะคนทําเป็นเนี่ยเยอะแยะแลตอนเนี้คนที่จิตถอดถอนตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลได้สมาธิอย่างนี้มีชื่อเฉพาะนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะเข้าฌานได้เหมือนกันนะ อันนึงเป็นอารมณ์นูปนิชานไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยคือสมาธิลือสีที่คนส่วนใหญ่เขาทากันตะเวนไปดูสํานักโนนสํานักนี้ส่วนใหญ่ก็คือสมาธิลือสีแทบทั้งนั้นเลยนะไอ้คนที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนี่หายากที่สุดเลยหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะัสักสิคนแล้วไปในเช่ารถตู้ไปเข้าวัดครูบาอาจารยนะ์ท่านหันกลับเลยนะอุทานเลยไปรวมมาได้ยังไงตั้งเยอะตั้งสิบคนสิบคนว่าเยอะแล้วนะจิตที่เป็นผู้รู้ เดี๋ยนี้มีเป็นหมื่นๆเนะยอะแยะเลยค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคล็ดถ้ารู้เคล็ดลับนะรู้ว่าทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปก็จะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมามาได้จิตเป็นผู้รู้แล้วที่หลวงพ่อบักตื่นแล้วตื่นแล้วนะบางคนไปคุยโม้เลยว่าหลวงพ่อรับรองว่าได้โสดาแล้วยังไม่ขึ้นวิปัสนาเลยนะแค่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแนะ มันแค่จุดตั้งต้นที่จะทำวิปัสสนาที่จะไปแยกขันเท่านั้นเองเหนะมือนที่หลวงพ่อเทียนบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติยังไม่ใช่ได้โสดานะบางคนบอกหลวงพ่อบอกอตื่นแล้วตื่นแล้ได้โสดาไม่ใช่หรอกนะอยากได้โสดาก็เอาจิตที่ตื่นนี่แนหะไปเจริญปัญญาต่อนะค่อยๆแยกกายแยกใจดูเม็นส่วนๆไปเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจไปเรื่อย ศัตรูของการเห็นความจริงของกายของใจหรือศัตรูของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมี2ตัวใหญ่ๆตัวที่1ก็คือลืมกายลืมใจพวกเราตื่นขึ้นมานะเราลืมกายลืมใจเกือบทั้งหมดเลยแล้วทั้งวันเลยหาคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะยากเต็มทีนะแต่ก่อนเนี่ยหายากมากเดี๋ยวนี้ยังมีฟังซีดีหลวงพ่อไปให้ตื่นนอนปุ๊บเห็นจิตเคลื่อนเคลื่อนจากภาวังเลยนะ เห็นร่างกายนอนอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูเนี่ยฝึกกันได้เยอะแยะไปตอนนี้จะเป็นต้นทางเพราะฉะนั้นศะันตรูเบอร์หนึ่งเลยนะใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเวลาเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่ไหมเรามีจิตใจเราก็ลืมเวลาใจลอยมากๆยุงกัดไม่รู้ตัวใช่ไหมใจลอยไม่รู้ยุงกัดก็ไม่รู้นะใจลอย คิดนอนคิดนี้ไปเกิดกิเลสก็ไม่รู้เกิดสุขเกิดทุกข์ก็ไม่รู้เพราะงะั้นเวลาใจลอยเนี่ยคือศัตรูเบอร์หนึ่งเลยคือจิตมันหลงไปศัตรูเบอร์สองของนักทรรมวิปัสสนานะคือการบังคับกายบังคับใจการบังคับกายบังคับใจเนี่ยคือสิ่งที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทากันทันะ ท, ทีที่คิดถึงการนั่งสมาธิจะต้องวางฟอร์มึออกมอาแล้วนั่ง วางฟอร์มทางร่างกายเสร็จก็วางฟอร์มทางใจทำใจทื่อๆบางคนก็ทำใจให้เคลิมเ น, นี่ยดัดแปลงทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่ของจริงไม่สามารถทำวิปัสสนานได้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นความจริงของกายไม่เห็นความจริงของใจทำไมไม่เห็นเพราะว่าเข้าไปดัดแปลงกายเข้าไปดัดแปลงใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเดินช้อปปิ้งเดินได้ทั้งหลายชั่วโมงใช่หม เนจงกรมจะขาดใจตายแล้วจะเครดขัดยอกไปทั้งตัวแล้วนั่งเล่นไพ่นะนั่งได้โต้รุ่งนะเออหรือนั่งดูฟุตบอลโลกอะไรเนี้ยดูโต้รุ่งได้นั่งสมาธิแป๊บเดียวอ ย, ยอกหมดล้วทําไมอ่ะทำไมยอกเพราะนั่งผิดธรรมชาตินั่งสมาธิสมาธิจริงๆไม่เกี่ยวกับท่าทางเลยนะไม่จะไปดัดแปลงมันทําไมพระชอบสอน เวลาจะนั่งสมาธิต้องนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่อินเดียคนอินเดียมานั่งแบบนั้นนะถ้าท่านตรัสรู้ในยุโรปท่านจะบอกว่าไปนั่งอาร์มแชร์นะนะแล้วก็รู้สึกตัวไปนะท่านก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งให้เข้ากับภูมิประเทศใช่ไมเพราะฉนั้นพวกเราถ้าคนไหนนั่งพื้นไม่ได้นะก็นั่งเก้าอี้มันไม่เกี่ยวกับท่านั่งนะ เดินจงกรมนะเดินไปธรรมดาจงกรมแปลว่าก้าวไปจงกรมไม่ได้แปลว่าก้าวนี้ต้องยาวเท่านี้สูงเท่านี้นะนาทีหนึ่งก้าวได้กี่ครั้งไม่มีเลยเรื่องพวกนี้นะเป็นสิ่งที่คนรุ้นหลังคิดกันขึ้นมาเองมันทําให้เราผิดธรรมดาไปงั้นทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละเดินจงกรมอยู่ตลอดเวลาที่นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะนั่นแหละปฏิบัติอยู่ นั่งเก้าอี้นะรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายมันนั่งอยู่นี่กําลังปฏิบัติอยู่นะแต่ต้องฝึกนะต้องฝึกให้รู้สึกตัวเลยได้อย่าใจลอยแล้วก็อย่าบังคับกายอย่าบังคับใจให้ทื่อๆนะในห้องนีนะ้อยากทดลองไหเรื่องบังคับตัวเอง <laughs> ลองนั่งสมาธิสิอ้าต่อไปนี้นั่งสมาธิหนึ่งาทีเห็นไหมทําไมต้องเปลี่ยนท่าเห็นไหม เห็ต้องวางฟอร์มก่อนใช่ไหมอ่าแล้ววางฟอร์มได้ที่แล้วเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนิ้วจะไว้อย่างนี้นิ้วโป้งชนกันหรือนิ้วอยู่อย่างนี้หรืออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีทะเลาะกันได้นะเรื่องจีกอกเงี้ยนึกออกอยังว่าทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนี้ยเกิดการดัดแปลงนะทันทีเลยครั้งหนึ่งมีเทวดาเทวดาเนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ แล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคล้ายๆจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะเทวดาเฝ้าพุทธเจ้านะไปถามพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอขะได้อย่างไรโอคาคือห่วงน้ําห่วงกิเลสนั่นเองกามมาโอคาเพราะว่าโอคาเนี่ย น, นะพระองค์ข้ามกิเลสได้ไงพระเจ้าก็จะสัตว์เทวดานี่แหละเทวดานี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ท่านเลยตอบเทวดาบอกว่า ดูก่อนเทวดาเราตถาคตข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดาได้ยินเห็นว่าไม่พักกับไม่เพียรนะเข้าใจครึ่งเดียวไม่พักอยู่ไม่เฉื่อยชาใช่ไหมภพอนาไปทําไมไม่ให้เพียรนะทำไมท่านบอกท่านข้ามพ้นกิเลสได้โดยไม่พักกับไม่เพียรนะคราวนี้ฟอร์มของท่านองค์นี้ดีนะเทวดาเนี้ยนึกว่าตัวเป็นพระอรหันต์พอไม่เข้าใจนี่ยอมรับเลยว่าไม่ใช่ละ ในตทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าข้าให้ขยายความพระเจ้าขยายความบอกถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคาได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้พระโสดาเลยนะพวกเราฟังเหมือนเทวดาแล้วด้ายัง <c oughs> ต้องขยายความอีกบนะารามีเราสู้เทวดานะั้นไม่ได้นะ ขยายความก็คือคําว่าพักอยู่ก็คือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสที่หลงไปนั่นเองนะการสุขขันธิการโยกตามกิเลสไปวันวนหนึ่งเผลอเลอเพลินเพลิลลลนไปวันวนหนึ่งพวกนี้ข้ามกิเลสไม่ได้คําว่าเพียนอยู่ก็คือการขม่ขมกายข่มใจ บ, บับงคับกายบังคับใจก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติชอบทําคนทั่วไปที่เขาไม่ปฏิบัตินะเขาจะพักอยู่พักตลอดการส่วนนักปฏิบัติเนี่ยพอลงมือปฏิบัติก็เพียนเลยะ เพียรด้วยความโลภบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยนะก็เลยสุดโต่งไปสองข้างนะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะว่าถ้าพักอยู่ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสมันลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมถ้ามีเพียรอยู่นั่นก็คือบังคับกายให้นิ่งบังคับใจให้นิ่งนะไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ งั้นวันนี้หลวงพ่อพยายามมาบอกพวกเรานะว่าท่านแรกเลยต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นสะก่อนนะไอ้ที่นั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วคิดว่าจะดีนะ่ะหลวงพ่อนั่งมาตั้ง22ปีเลยแยกแยะสมาธิได้หลายชนิดนะสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเลยก็มีสมาธิที่ดีเป็นสมถะเอาไว้พักผ่อนนะมีสติอะไรเงี้ยมีแต่ว่าไม่เกิดปัญญาสมาธิที่จะใช้ให้เกิดปัญญาเนี่ย เป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเห็นไหมเราบางคนเวลาเข้าไปถวายน้ํากับพระใจเราวิ่งไปดูรู้สึกไหมเห็นไหมขนาด ท, ที่ใจเราวิ่งไปดูเนี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจนึกออกไหมฟังเทศอยู่ก็ลืมฟังเห็นไหมถ้าใจเราวิ่งไปเนี่ยจิตของคนทั่วไปนะมันไปอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์เรยว่าจิตสง่งออกนอกมันวิ่งไปอยู่ที่อื่นนะมันลืมตัวเองไปนะไม่มีทางเลยที่จะบรรลุมรรคผล แต่ว่าถ้ากลัวมันวิ่งไปแล้วบังคับว่าจะต้องรู้สึกตัวตลอดจะต้องรู้สึกตัวตลอดจะตึงเกินไปนะก็ไม่บรรลุมรรคผลเองจะเครียดบางคนนะจะหิวน้ำอยากให้กินน้ำแล้วก็จ้องอยู่่เงี้ยเนี่ยนะกว่าจะได้กินน้ำนะไตาวายไปก่อนลนะมันผิดธรรมชาตินะงั้นฝึกให้เป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าเราสามารถดำเนินจิตของเราให้ถูกนะ กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราเนี่ยเราก็เลือกอันนั้นไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดนะมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราเท่านั้นเองแต่ละคนใช้กรรมฐานไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักดูตัวเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยแต่ก่อนสมถกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อใช้อานาปานาสติทําสมถะหายใจให้มีสงบนะเคล็ดลับมันอยู่ที่สบายนะทำใจสบายหายใจเป็นสบายแป๊บเดียวก็สงบนะ เคล็ดลับของสมถะอยู่ที่ความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วใจเรามีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบเคล็ดลับมันอยู่ที่มีความสุขนี้แหละส่วนวิปัสนาเนี่ยหลวงพ่อเริ่มมาจากการดูจิตดูจิตงั้นใครถนัดดูกายก็ดูกายดูกายแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ดูจิตแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นอันเดียวกันนะคือเห็นไตรลักษณ์ ถ้าดูกายเห็นกายไม่ใช่วิปัสนาดูจิตเห็นจิตไม่ใช่วิปัสนาต้องดูกายเห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายดูจิตเห็นไตร ล, ลักษณ์ที่แสดงตัวอยู่ที่จิตถึงจะเป็นวิปัสนาะนี่พอหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลรับรองเลยว่าเข้าใจแล้วละช่วยตัวเองได้ละหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์อื่นเข้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนานดีๆนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงปู่ หลวงตา ม, มาหาบัวอะไรเนี่นะหลวงปู่เหรียน น, ะ น, นั่นต่อไลยเข้าไปเยอะเลยนะแต่ละองค์แต่ละองค์น ะ, ะสอนหลวงพ่อดูจิตนะไม่ได้กลับไปดูกายแต่ว่าวันหนึ่งก็เกิดสงสัยอีกกลับมาถามหลวงปู่กลับมาถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ครับผมไปหาครูบาอาจารย์อื่นได้ยินท่านสอนคนต้องคนนี้นะให้พุทโธพิจรารณกายผมต้องกลับมาดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองแบบสลดสังเพศมองอย่างนี้นะมอง บอกแบบสังเวทใจนะแต่ท่านก็สอนบอที่เข้าดู ก, กายเพื่อให้เห็นจิตกลายเป็นของทิ้งเมื่อเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรก็บกายเพราะฉะนั้นจำไว้หน้านดู ก, กายเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมธรรมคืออะไรเคยได้ยินโนตามหาบุกศรไหมธรรมแท้เกิดขึ้นกลางอกจะผุดขึ้นมาเนี้ยธรรมกิเลสอะไรต่ออะไรนะก็เป็นธรรมะกิเลสเป็นธรรมะนะ เรื่องกุศลธรรมกุศลก็เป็นธรรมะเรียกว่ากุศลธรรมผลเป็นธรรมะนะก็เป็นโลกุตระธรรมเกิดที่จิตทั้งนั้นเลยดังนั้นการที่เราเข้ามาเห็นจิตเนี่ยเราจะเห็นธรรมก็คือเดี๋ยวเห็นจิตเป็นกุศลบ้างเดี๋ยวจิตเป็นอกุศลบ้างเกิดแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมันแจ่มแจ้งนะไม่มีอะไรเป็นตัวเรากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราถ้าเห็นแจ้งตัวนี้ก็จะเข้าใจธรรมะขั้นต้นนะ จรู้ว่าตัวเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ส, grip grip grip. สิ่งนั้นก็ดับไปทั้งสิ้นเลเนี่ยก่อนที่จิตมันจะสรุปได้นะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะภาพมันดูของจริงให้มากเลยความสุขเกิดแล้วมันก็ดับให้ดูความทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับให้ดูนะโลบกรดลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับให้ดูรูปที่หายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับรูปที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับรูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดแล้วดับหมดเลยนะดูไปเรื่อยมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีอะไรเป็นตัวตนถารลนะ ถ้าเราจิตมันยอมรับความจริงนะว่าตัวตนมันไม่มีแต่ไม่ใช่เรานึกๆึว่ามันยอมนะมันมีกระบวนการที่จิตล้างกิเลสนะกระบวนการเวลาที่จะฆ่ากิเลสจริงๆนะจิตจะรวมเข้าฌานเข้าอัปปนาสมาธิแต่ฌานตัวนี้ตั้งอยู่ที่จิตจะไม่ใช่เป็นฌานที่เพ่งอยู่ที่อารมณ์ภายนอกนะเพราะงั้นอย่างพวกที่ฝึกรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องจิตไปอยู่ที่ท้องมักผลเกิดไม่ได้หรอก มรรคผลไม่ได้เกิดที่ลมหายใจมรรคผลไม่ได้เกิดที่ท้องมรรคผลเกิดที่จิตถ้าจิตต้องตั้งมั่นนะแล้วจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไปดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปพอมันเห็นความจริงของกายของใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะจิตมันจะรวมมันรวมลงที่จิตนั้นไม่ไปรวมที่อื่นเลยนะสติระลึกลงที่จิตปัญญาอย่างลงที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตก็จะเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีหรอกก็จะล้างสักยทิฐินะ ร่างสังยชน์วิจิตรช้าและความงมงายในการปฏิบัตินะละพวกนี้ไปถาดจากนั้นก็พอนาเหมือนเดิมแหละดูธาตุดูขันดูกายดูใจมันทํางานได้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไปพุทโธไปหายใจไปพอมีแรงแล้วก็กลับมาดูจิตได้ใหม่หรือมาดูกายได้ไหมกายก็เหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้าน คนไหนเห็นเจ้าของบ้านได้ก็เห็นเจ้าของบ้านไปนะก็ได้เร็วสั้นหน่อยคนไหนหาเจ้าของบ้านไม่เจอก็ไปดูบ้านมันไว้เฝ้าบ้านมันไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นเจ้าของเองอะ่ะนะใครรู้สึกไหยถ้าทิ้งบ้านไปนะไ ป, ไปหาเจ้าของบ้านไม่เจอจิตหนีไปเรื่อยๆนะสรุปนะสรุปเลยหลักของการปฏิบัติทั้งหมดที่ ห, ทหลวงพ่อสอนนะอันแรกถือศีลห้าไว้ก่อน วันนี้ไม่มีเวลาไม่ได้เทศเรื่องศีล5ถ้าเรามีศีลเราจะมีธรรมนะ่ยศีลข้อหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราฝึกไปเรื่อยเราจะได้ธรรมะเราจะได้เมตตาขึ้นมาเมตตาเป็นบารมีอันหนึ่งนะเมตตาบารมีเราไม่ลักไม่ขโมยใครนะต่อไปนอกจากไม่เอาของเขานะยังให้เขาได้อีกทานนั้นบารมีจะเกิดขึ้นนะเราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะต่อไปเราจะได้เนกขมมะบารมี อย่างเราไปเจอผู้หญิงอื่นได้มมันสวยใช่ไหมใจเราฟุ้งไปในกามเจอยายแก่ที่บ้านนะใจสงบสันโดษนะ <laughs> <laughs> ไม่ย่เกลเยดหรอก <laughs> ไม่มากมากในกามนะไดขัมะบา ร, รมีนะถือศีลไม่โกหกหลอกลวงนะั้นได้สัจจะบา ร, รมีในชะ่ไได้บา ร, รมีหลายตัวนะถือศีล ร, ร, รักษาศีลข้อห้าไม่ขี้เหล้ามายาได้สตินะเราได้ของดีๆ ดีๆทางนั้นเลยเพราะฉะั้นเบื้องต้นถือศีล5้าไว้ศีลห้าพอแล้วศีลที่จําเป็นให้เกิดมรรคผลนั่นคือศีลนหน้าศีลนอกจากนั้นเป็นศีลเกินขึ้นไปที่จําเป็นจริงๆคือศีลห้ารักษาให้ดีที่สุดเลยถ้ารักษาศีลห้าได้สมาธิจะเกิดง่ายคนที่มีศีลเน่ใจจะสงบคนที่คิดจะฆ่าเขาเยังไม่สงบคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้เขาคิดจะโกหกเขาเจิตไม่สงบคีดเล่าเมายาจิตไม่สงบหรอก มันมีศีลน่าใจสงบได้ง่ายนะพอมีศีลแล้วงานต่อไปของเราก็คือฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองส่วนมากชอบพูดว่ามีศีลสมาธิปัญญาพูดมากง่ายไปสมาธิมีหลายชนิดต้องเป็นสมาธิที่ถูกสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวนั่นเองนะจะยืนเดินนั่งนอนนะั้นมีจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ล่องไม่ล่องลอยไปพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองด้วยการทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตมนันหนีไป จิตไหลวับรู้วับรู้ไปเรื่อยนะแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนาถัดจากนั้นก็เจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็าหาัดแยกรูปนาำแยกกายแยกใจแล้วก็ดูรูปมันแสดงใจลักความรู้สึกนึกคิดมันแสดงใจลักดูจิตดูใจแสดงใจลักถ้าดูใจลักมากมา ก, มากนะเจวันเจ็เดือ น, น7ปีนั่นแหละที่ว่าจะได้มากได้ผลถ้ายังมาดูใจลักไม่ได้อีก7ชาติก็ไม่ได้ ยิงไปทำมิจฉาสมาธิสมาธิลืษีสมาธิอะไรองั้นไม่มีทางได้ไม่ใช่ทางเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะสรุปว่าที่เรียนจากอาราดาบทหรือทัคดาบทไม่ใช่ทางลูกศิษย์อาราดาบทอุทัคดาบทนี่เยอะมากนะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเกือบทั้งหมดที่นั่งสมาธิลูกศิษย์ลือสีนั่งแล้วแล้วก็มีสองพวกนะพวกหนึ่งตั้งสติรุนแรง พวกนี้เคร่งเครียดนะอีกพวกหนึ่งทำให้ขาดสติไม่ได้เรื่องเลยนะอีกพวกหนึ่งพอดีพอดีแต่ออกนอกรู้อยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ทางสมาธิอย่างนั้นฝึกให้ถูกชนิดนะะฝึกสมาธิชนิดที่จิตอยู่กับฐานจริงๆ จ, จ, จิตตั้งมั่นจริงๆวิธีก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไป แล้วมันจะอยู่กับฐานเองนะอยู่แล้วก็ดูธาตุขันแยกออกไปดูมันแสดงไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์โลภโกรธหลงเกิดไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดเราสั่งไม่ได้นะลองดูซิลองดูพระพุทธรูปเราห้ามคิดลองดูซิทาได้ไหมคิดหคิด ห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับมันนะไม่ใช่เรียนบังคับห้ามคิดก็ห้ามได้นะห้ามได้ไหมห้ามได้ชั่วคราวเข้าฌานเพ่งไว้ห้ามได้ชั่วครา ว, นะาาา ว, ราวแต่พอหยุดเพ่งก็คิดต่อนะควบคุมไม่ได้จริงไปฝึกนะรักษาสีล์ห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวโดยการรู้ทันเวลาจิตเคลื่อน แล้วก็แยกธาตุแยกขันไปดูความจริงของธาตุของขันเขาแสดงใตรักนะถ้าทำอย่างนี้ได้นะเบื้องต้นมันก็จะได้โสดาบันจะเห็นจริงเลยธาตุขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำจะเห็นอย่างนี้นะต่อไปปัญญาแก่รอบขึ้นไปอีกจะเห็นเลยธาตุขันนั่นแหละตัวทุกขันนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าขันเป็นตัวทุกข์ก็เรียกว่ารู้อริยสัจนะนะก็จะข้ามพลวัตตะได้ ไปฝึกเอานะอ่ะมีใครจะส่งกันบ้านเชิญราบนวัต ก, กรรหลวงพ่อค่ะป่อของหนูก็ฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันนะคะ่ะแล้วก็ก่อนนอนก็มีรูปแบบประมาณ15นาทีอะคะ่ะเองของหนูสังเกตไหมกายกระใจเป็นขดละอันดูออกบ้างไหมบ้างค่ะนะขันมันเริ่มแยกได้แล้วความสุขความทุกข์กระใจขดลอันอันนี้ดูออกไหม ถนัดกายถนัดดูกายมากกว่าดูจิตนะเห็<ะ>นไหมตัวนี้มันพยักหน้าใ<ะ>หมืมันดูกายบ่อยๆนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นแค่คนดูนะดูไปสบายๆปัญญามันเกิดกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะค่อยๆฝึกไปดีใช้ได้ต้องแก้ไขอะไรไม่แก้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรื่องคำว่าแก้หรือคำว่าต้องนะ ต้องอย่างนี้หรือว่าห้ามอย่างนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะถ้าวิปัสสนาเนี้ยไม่ไม่มีคําว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเท่มานั้นเองไม่มีคําว่าต้องควรอย่างนั้นควรอย่างนี้นมันมีเช่นกิเลสจะเกิดเนี้ยไม่ต้องมาถามเลยว่าจะดับยังไงไม่ได้ฝึกดับแต่ฝึกให้เห็นความจริงของกิเลสว่ามันไม่ใช่จิตหรอกมันเกิดได้มันดับได้มันไม่เที่ยงอะไรเงี้ย หรือเวทนาเกิดนั่งสมาธิไปแล้วปวดเมื่อยบางคนก็ตั้งใจนะปวดขึ้นมาจะนั่งโต้รุ่งให้ได้เลยปวดแค่ไหนก็จะทนเนาะพราะนั่งได้จริงๆนะกูเก่งซะอีกนะแทนที่จะละกิเลสนะกลายเป็นกูเก่งกูเก่งไว้เองเราไม่ได้นั่งเอาชนะอะไรนะไม่ได้นั่งเอาชนะขันนะแต่นั่งให้เห็นความจริงของธาตุของขันว่าเขาไม่ใช่เราหรอกก็ให้ึดูกายไปเรื่อยใช่ปะใช่หนูดูออกไหมกิเลสตัวไหนของหนูแรง หรือไม่มีกิเลสมีคะ่ะเออนะไปดูนะ่าร้ายพอดูเลยนะ<อ> <laughs> ดูออกไหมว่มาร้าย <laughs> คอยดูนะภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วตัวตัวจริงมันจะโผล่แต่ละคนนะ่ะใส่หน้า ก, กากไวนะ้เวลาเราอยู่ในสังคมเราใส่หน้า ก, กากไว้นะกระทั่งสังคมในบ้านเรามีตัวปลอมเวลาเราคุยกับลูกเราก็มีมาดอย่างหนึง่งใช่ไหม เราคุยกับสามีมาดเราก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมเราคุยกับเพื่อนเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งคุยกับรัฐบาลก็เป็นอีกแบบเอ <c oughs> <c oughs> มีมันไม่ใช่ตัวจริงนะแต่พอตัวจริงโผล่ขึ้นมาดูขุดเอาตัวจริงขึ้นมาได้รู้ว่าร้ายกว่าที่คิดแต่และคนร้ายมากๆเลยนะเรียกว่าร้ายโคตรโคตร <c oughs> <c oughs> แต่พูดคํานี้เดี๋ยวโรงเรียนที่ว่าไม่ไผ่เราะจะเรียกว่าร้ายตระกูลตระกูลนีก็ไม่ดู <c oughs> รูไปดูนะขอบพระคุณค่ะรู้ทันมันเข้าไปละมาสการค่ะหลวงพ่อเคยส่งการบ้านเมื่อสี่ปีที่แล้วนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อบอกว่าซึมอวันนี้อยากทั่งให้ดูอีกรอบนึงว่ายังไม่ต้องนั่งหรอกนะคือความซึมอ่านั่งกหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะแต่ว่าไม่ดูเนี่ยยังติดอยู่น่าคือยังติดอยู่ใช่ไหมคะเนีมันยังมีอยู่ ใจยังไม่เป็นธรรมดาแล้วสมาธิแบบนี้จะใช้เดินปัญญาได้ไหมคะสมาธิอย่างนี้นะใจอยังไม่เป็นผู้รู้หรอกมันจะซึมซึมไปมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มรู้สึกไหมมันดูนุ่มนวลมันดูติดสุขใช่มันติดนี่มันจะสบายอยู่งั้นนะแล้วจะเดินปัญญาแบบไหนคะถ้าติดสมาธิอย่างเนี้ยให้มาดูกตายเลยมาดูร่างกายทีละส่วนทีละส่วนเลยนะ ร่างกายนี้ไม่เทียงร่างกายนี้สกปรกไม่สวยไม่งามพามันคิดไปก่อนเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนไหวไม่ให้ติดนิ่งติดเฉยให้ดูเป็นอสุภะด้วยไหมคะอะไรนะให้ดูให้ดูอสุภะก็ได้ใ ห, ดให้คิดอนะ่ะทําไมสอนให้คิดเพาตอนนี้ยังไม่ขึ้นมีปัสนาตอนนี้ะจะแก้สมาธิที่ติดก่อนใช่ค่ะสิ่งนี้นะที่ติดอยู่ออนะหนูคิดพิจารณากายไปร่างกายเป็นปฏิกูนาสุภะอะไรอย่างนี้ นะอย่างตั้งแต่ผมผมเนี่ยรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้น ะ, ะไม่สวยไม่งามโสกรปรกโสโครกอะไรคิดพิจารณาไปนะไม่เที่ยงเคยยาวๆก็หลุดออกมาอะไรเงี้ยหือเคยดำดำก็ขาวอะไรนะอันนี้ให้ใช้คิดก่อนใช่มใช้คิดก่อนให้คิดนำใช่ไหมเออใช้คิดนํานะเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตไปติดเฉยคะนะแล้วพอคิดเสร็จปุ๊บ ป, ปัญญามันจะเกิดขึ้นเองอใช่ไหมนะเมื่อคิดเสร็จ ป, ปุ๊บปัญญาจะเกิดขึ้นเองเลยใช่ไหมคะปัญญาจากการคิดสิ Oh, okay. นะพอจิตมันเคลื่อนไหวได้แล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วคราวนี้ถือจะเดินปัญญาจริงนะ <Okay. S 2> ปัญญาไม่ใช่เกิดจากคิดเอาปัญญาจากคิดเอาเรียกจินตามิยะปัญญายังไม่ใช่ภาวนามยะปัญญาภา <Okay. S 2> วนามิญะปัญญาต้องเห็นเอานะเห็นเจริญสติเอาค่ะ okay. ยมอยากได้กันบ้างอย่า ง, ย, ง, ย, งยมเห็นไหมใจหนีไปคิดก่อนจะพูดนะ <Okay. S 2> อ่ะคอครู้ทันจิตที่ไหลไปคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวสมาธิแท้ๆจะเกิดนะ แต่อย่าไปตรึงให้นิ่งถ้าตรึงให้นิ่งเป็นสมาธิที่ที่ผิดอันนี้คือการบ้านที่จะทำต่อไปใช่จนหมดลมหายใจนะดูกายไปมากน ะ, ะแล้วก็แยกกายเป็นส่วนส่วนส่ว น, ส, วนส่วนไปเร่ยเลยนะให้จิตมันจะได้เคลื่อนไหวไม่ให้ไปติดนิ่งติดเฉยแต่ว่าติดน้อยลงไปเยอะแล้วละ่ะดูออกไหมค่ะนะติดน้อยลงไปมากแล้วค่ะ กลับนั่นสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะคนนี้กับคนนั่งตรงข้ามกันเดีพอดีหนูส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะอื <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็มีทํารูปแบบบ้างแล้วก็เอแต่ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้ทําถูกหรือเปล่าอค่ะ <c oughs> ทํามาถูกเท่านั้นแหละ <c oughs> ทําผิดก็ยังถูกนะยังดีที่ทําผิดไปก่อนแล้วค่อยๆเรียนไปเนี่ยก็ดี ถ้าไม่ทําเลยใช้ไม่ได้ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมมีบ้างค่ะเห็นไหมว่าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้รวดเร็วใช่ค่ะเห็นไมเห็ว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ค่ะนั่นแหละเรามีปัญญาเราเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นะต่อไปนี้ดูกายดูใจดูมไปด้วยนะเราดูไปด้วยมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราดูในมุมของอนัตตาไปมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปนีไปคิดน ะ, ะจิตนีไปคิดก็ลืมตัวเองเรารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจน ะ, ะเวลาอยากพูดทราบไหมไม่จะมีแรงดันขึ้นตรงนี้นะอยดันขึ้นมาเวลาโกรธก็โกรธขึ้นมาจากตรงนี้<ะ>เคยเห็นใช่ไหมถ้าโกรธเี้จะดูง่าย<ะ>มันจะเด่นขึ้น<ะ>ดันขึ้นม า, <ะ>นนมาถ้าแรงแรงก็ขึ้นหัวเลยนะ หนูดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตนะคะแล้วปกติหนูนั่งสมาธิได้ไม่ค่อยนานเลยถึงหลว่าถึงบอกว่าคนข้างกับคนนัอนอ้น <c oughs> คนนั้นเขาเอกสงบลูกเดียวเลยของหนูไม่เคยสงบเลยฟุ้งอ็นะฟุ้งเก่งถ้าเราฟุ้งเก่งเราก็ดูจิตไปนะ <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าสงบมากเราก็ดูกายนี่เป็นหลักนะ เพราะว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานสำหรับสมถะญาณิกสำหรับคนที่ติดสมาธิเล่นสมาธิะะจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเป็นของพวกเียกพวกทิฏฐิจริตนะพวกที่ไม่ใช่คือพวกที่ไม่ไม่ใช้น้าสมาธินาเป็นพวกปัญญานำสมาธินะเป็นพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตไป พวกรักสุขรักสบายรักสงบอะไรเงี้ยไปดูกายถ้านะจะดูกายได้ดีต้องทาสมาธิให้จิตตั้งมั่นมากๆมีสมาธิเยอะดูจิตเนี่ยไม่ต้องไปทําสมาธิก่อนเพราะถ้าทําสมาธิแล้วจิตจะนิ่งลูกเดียวไม่มีอะไรให้ดูหนูดูออกไหมจิตวอกแกลวอกแกตลอดนะ<ะ>แต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิเลยเราดูมันวอกแวกลวสักพักเดียวเราจะหมดแรงนะเพราะงั้นทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำในรูปแบบบ่อยๆนะ วันลหลายหลายรอบก็ได้ทำเช้าเย็นเจ้าตัเช้ากลางคืนเออดีฝึกไปเรื่อยถ้าจิตจะได้มีพลังแล้ว <c oughs> วันหนึ่งเจะ้าค่ะตื่นขึ้นมาเหมือนเหมือนได้ยินจิตสวดมนต์เองแต่ดูไม่ไม่แน่ใจว่าคิดเองอยูอว่านั่นแหละจิตมันพูดได้เองนะบางทีจิตมันเทศให้เราฟังอย่างได้ น, นะบางทีมันแสดงนิมิตเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ได้ จิตมันทำได้สารพัดจะไปเชื่อมันค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> การาาตร้อสกการหลวงพ่อนะครับนะครับผมใช้วิธีการดูกายเป็นหลักใช่ได้หายใจเข้าแล้วก็รู้ทันแต่ว่าช่วงชีวิตประจำวันนะครับรู้ไม่ค่อยทัน <c oughs> ผมควรจะปรับปรุงยังไงบ้างครับเพิ่มเติมอยู่ในชีวิตประจำวันนะเวลาที่เราต้องคิดต้องนึกต้องทางาน ใช้ความคิดนะมันดูกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแนหะแต่มีเวลา5นาทีอะไรเงี้ยนะก็มาหายใจมารู้สึกตัวนะมีเวลาเล็ ก, ลกๆน้อยๆแค่ไปยืนฉี่เนี่ยก็หายใจไปนะรู้สึกตัวหลวงพ่อทำกรรมฐานทําแบบนั้นเลยนะมีเวลาไม่กี่นาทีก็ทำํำตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวดีขึ้นเยอะถูกต้องเมื่ก่อนนะครับทำได้ดีครับผมแล้วอ่า เวลาทำสมาธิเนี่ยครับถ้าเกิดจิตไม่สงบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราแค่รู้ทันใช่ไหมเอออย่าไปบังคับให้สงบนะทำสบายๆแป๊บเดียวก็สงบนะถ้าอยากสงบจะไม่สงบครับของผมดูกายเป็นหลักได้ทาถูกแล้วมีกรรมฐานที่เหมาะแล้วนะสังเกตไหมเราที่ว่าเราดูกายดูกายเราก็เห็นจิตเวลากิเลสเกิดมันก็เห็นเองแหละหลวงพ่อครับบางทีเราพุทโธไป แต่ว่าใจมันจะไม่เอาอะครับเอาแค่รู้ลมหายใจได้ได้ใช่ไหมได้เอาสักอันหนึ่งก็ได้หลวงพ่อตอนเด็กๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะพอโตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกพุโทโธเป็นส่วนเกินหรือแต่ลมต่อไปก็ไปแยกธาตุแยกขันต์ต่อใช่ใช่มันเริ่มแยกแล้วสมาธิมันดีมสมาธิดีๆนะถึงฐานจริงๆอะมันจะเห็นนะไอ้ตัวที่ถือใหม่อยู่ไม่ใช่เราแล้ว รู้สึกไหมไม่ใช่เราหรอกตอนนี้ตอนนี้รู้ไม่ทันครับใครรู้สึกอับก็ขอกลับขอขมาหลวงพ่อแล้วก็ขอถวายการปฏิบัติแก่หลวงพ่อครับเออสาธุนะหลวงพ่อคะรู้สึกว่าใจตอนที่จะรอส่งกันบ้านมันตื่นเต้นดีธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นหมดละ อีนี้ก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังนิดนึงค่ะล่าสุดที่นั่งในในสมาธิอะค่ะในฌานจะรู้สึกว่าเอมันลมหายใจเบาแล้วก็เลยนึกว่าจะไม่เอาแล้วสมบัติใดในโลกนี้จะตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดึงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนแตกออกเป็นผู้ว่าค่ะแล้วก็กระเด็นอย่าไปชื่อมันเดี๋ยวมันก็กลับไปเอาใหม่ได้ค่ะงั้นต้องทําไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ <laughs> ต้องฝึกสมาธิให้ดีหน่อยนะจิตเราฟุ้งเก่งจิตยังฟุ้งเก่งอยู่งั้นคอยรู้ทันทําก็ไม่ทานไปหายใจอะไรก็ได้นะเรารู้เวลาจิตมันไหลรู้บ่อยๆอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดนะมันช่างคิดนะเพราะเวลามันไหลไปคิดปั๊บรู้ปั๊บรู้รู้บ่อยๆแต่ไม่ได้ไปกดแบบเหมือนตอนนี้อย่างนี้จะแน่นไปถ้ารู้สบายๆอย่าให้แน่น ยังไงคะหลวงพ่ออึดอัดไหมมันเหมือนตื่นเต้นอยู่เลยก็ไม่ตื่นเ<ด>ต้นแล้วมันขมเอาไว้ไงคนะตรงที่ตื่นเต้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่กลัวจะตื่นเต้นเนี่ยเลยไปกดเอาไวนะ้ตรงที่ผิดก็ออยู่ที่กดไม่ได้ผิดตรงที่ตื่นเต้นคะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะอันนี้เราพูดในเชิงวิปนะัสสนาสุขทุกข์ดีชั่วไม่เท่ากันเท่ากันด้วยไตรลักษนณะ์แต่ในเชิงจริยธรรมไม่เท่ากันนะ งั้นจิตจะตื่นเต้นเห็นมันตื่นเต้นไม่ต้องไปว่ามันไม่ห้ามมันหรดูมันตื่นเต้นเหมือนเห็นคนอื่นตื่นเต้นโดยอย่างนี้อยากพูดไหมอยากค่ะเห็นความอยากไหมเห็นค่ะเออนั่นแหละอย่างนั้จะเรียกว่าภาวนาค่ะภาวนาเพืาอเจริญเจริญอะไรเจริญสตินะความอยากผุดขึ้นมาเห็นปิติไหมเนี่ยปิติพูดขึ้นมา ปีติผุดขึ้นมาน้ำตาจะไหลอะไรเงี้ยนะมีปิติดันปิติเกิดแล้วก็เห็นอีกปีติก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเนี่ดูของจริงที่มันผุดขึ้นอย่างเงี้ยนะไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆค่ะขอคําแนะนําอีกนิดนึงค่ะในสมาธิที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าจิตมันสอนตัวเองได้มีอยู่คำหนึ่งคือบอกว่าทําสภาวะให้เหนือจิตนะคะทําอะไรนะทําสภาวะให้เหนือจิต เอออย่าไปเชื่อมันเรารู้สภาวะตามความเป็นจริง <laughs> จิตเราเชื่อไม่ได้นะเพราะจิตเรามีกิเลสค่ะ <c oughs> งั้นมานจะแทรกทันทีเลยเขาเรียกว่ากิเ <c oughs> ลสมารกิเลสมารก็มาครอบงําจิตทําให้เกิดอภิสังคารามานความปลุง่ง <c oughs> จิตเราเลยกลายเป็นเทวปุตตมานเป็นจิตมานไป <c oughs> จะไปเชื่อมัน <c oughs> <c oughs> มันผิดหลัก ใช่ค่ะงั้นเวลาที่จิตสอนธรรมะนะหรือว่านั่งสมาธิแล้วมีนิมิตเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะเราเราฟังหูไว้หูได้ค่ะถ้าฟังแล้วก็สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ค่อยเชื่อถ้าขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่เชื่อนะคือไม่เข้าใจคํานี้ก็เลยไม่รู้ว่าคือเอออย่าไปเชื่อมันโอเคค่ะ <laughs> ไม่รู้สภาวะอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่เหนือสภาวะ ถ้างั้นก็คือหลวงพ่อแนะนําว่าให้รู้ทันตัวเองในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วก็ทำได้ยุคทำได้ทำได้เออค่ะเรียนเคยไหมจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมล่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละดีขอบคุณค่ะหลวงพ่อเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะบอกให้ทำอะไรก็ทํำนั้นเดือนหนึ่งสองเดือนสมเดือนก็เปลี่ยนละเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเหมือนสมัยพุทธกาลนะ พ ว, พวกเดรัยถยบางคนจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากจะไปโตวาทีกับท่านะพวกเดรัยถย์ด้วยกันจะเตือนไม่อย่าไปคุยกับพระสมณะโคดมนะสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจห mm hmm. ลวงพ่อ น, นี่แหละได้เรียนมนเปลี่ยนใจมาใครเรียนกับหลวงพ่อนนะจะเปลี่ยนรู้สึกไหมเปลี่ยนเดี๋ยว น, นี้ไม่เหมือนเดิมหรอกแต่ละคน แล้วเปลี่ยนเร็วด้วยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องไม่เนิ่นชา้าถ้า10ปีนี้ก็ส10ปีก่อนก็เหมือนกันผิดแน่นอนต้องอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> ผิดไม่ถูกแน่ถ้าถูกมันจะต้องเปลี่ยนโอเยค่ <laughs> ะหลวงพ่อแล้วก็ในรูปแบบที่ยังทำอยู่ทุกวันคือนั่งนั่งสมาธิอยู่ทุกวันก็ทำไปทาไปขอบคุณคะ่ะอย่าให้ขาดสติก็แล้วกัน กานมาสักกา ร, การพระอาจารย์ครับ mm hmm. ช่วงประมาณสิ้นปีมีไปส่งกันบ้านที่ส่วนสันติธรรมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีสวดมนต์ไปด้วยเดินจงกรมไปด้วยแล้วคอยหมั่นรู้สึกตัวไปด้วยครับหลวงพ่อพระอาจารย์ทีนี้รู้สึกการรู้สึกตัวช่วงที่เดินจงกรมไปด้วยรู้สึกค่อนข้างช้าเลยมาใช้วิธีวิ่งอยู่กับที่แล้วก็รู้สึกตัวไปไม่ทราบ ว, ว่าวิธีนี้ทําให้ มันตั้งมั่นดีขึ้นไหมครับพระอาจารย์วิ่งให้ดูได้ไห ม, ไมเออวิ่งไปลืมหลวงพ่อไปแล้ววิ่งไปดูออกไหมเวลาวิ่งวิ่งจิตมันแฉลบไปคิดเ อ, อรู้ไปหลงไปยังนะจิตไหลไปแลรู้ทันมันมันก็เทินไปมันแฉลบหนีไปนาน ลองเดินสิเดินเดินเนี่ยเดินไปนะสบายๆแล้วก็จิตนี้ไปเรารู้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูหยุดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมุนตัวเห็นไหมตอนหมุนตัวขาดสติเพราะงั้นเวลาเดินจงกรมนะเดินไปสุดทางรู้สึกตัวก่อนเราค่อยหมุนหมุนตัวแล้วก็อย่าเพิงเดินรู้สึกตัวก่อนเราค่อยเดินไม่งั้นจิตมันจะเดินก่อนขา เดิอีกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะแล้วถ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไมใจมันหนีไปล้เดินไปแล้วอย่าเพิ่งหมุนหยุดก่อนรู้สึกตัวก่อนเราค่อยหมุนหมุนเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งเดินรู้สึกตัวก่อนเราค่อยเดินเราเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินเอาเวลาเออเห็นไหมรู้สึกตัวได้ดีรู้สึกตัวแล้วนีพคิดหรอไม่ยอมรู้สึก <laughs> อืมไปเดินกลับไปไปกลับเข้านั่งไปเดินดีกว่าวิ่งนะวิ่งมันดูเหมือนรู้ชัดแต่ว่าจิตมันถลําแรงนะแล้วการปฏิบัติในชีวิตประจําวันยังพออยู่ในร่องในรอยไหมครับได้การปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะใช้หลักง่ายๆนะมีตา ก, ก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะแต่พอตาเห็นรูปเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายขึ้นที่จิตรู้ทัน เมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นดินได้รดกายกระทบสัมผัสนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศล อ, อกุศลเกิดยินดียินร้ายที่จิตให้รู้ทันเมื่อใจมันคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศล อ, อกุศลเกิดยินดียินร้ายที่จิตให้รู้ทันเนี่ยหลักของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันรู้สึกว่าตอนที่ทํานี้การขยับเนื้อขยับตัวจะมีความรู้สึกที่ชัดแล้วก็แรงพ อ, อที่นชัดชัดบางทีมันถลํานะเออชัดมากๆชัดชัดแรงๆเนี่ยจิตมันจะไหลเข้าไปเกาะ พยายามรู้สึกสบายๆรู้สึกพระเจ้ายัางไม่ได้ให้วิ่งจงกลมนะ <c oughs> <c oughs> เราวิ่งมันแรงไปอารมณ์มันแรง อ, อปฏิบัติมาได้ไม่มากก็น้อยขอถวายเป็นบูชาพระพุทธเจ้ากับอาจารย์ค่ะสาธุยังไงก็ต้องไม่ลืมพระพุทธเจ้านะอย่ารักอาจารย์มากกว่าพระพุทธเจ้าต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่าเชื่ออาจารย์มากไป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 อรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมามยังพันเตติจีวารานิสัปปริวารานิภิกุสังคัสสะโอโนโชยมามะสาธุโนพันเตภิกุสังคโคอิมานิติจีวารานิ สป า, า ร, ร, สริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังอิตายะสุขายะ ข, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าตราจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพร ะ, าพร ะ, ระอระาจารย์จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิน้นกาลละนานเชิญ ยถาวาริวหาภุราปริภูเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปตฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสภเพภุเรนตูสังกปาจัตโทปนรโศยถามณีโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตูสภโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาธนาศีลสนิจังวุทาปจายโนจตารธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง